ก็ในข้อนี้เนี่ยได้บอกแล้วว่าต้องทําเรื่องของวิปัสนาให้ชัดเจนแต่เนื่องจากว่าแต่ละคนเรามีพื้นฐานสมถะมาค่อนข้างเข้มข้นที่เราเคยฝึกมาพุทโธบ้างเนาะบ้างพลังจิตาลูกภาพบ้างสมราหังบ้างอนาป่าบ้างร่นไปฐานคือก็เปิดทิ้งท้งสมถาวิปัสนาแต่ว่ามันหนักไปทางไหนเท่านั้นเอง อาจจะดักไปทางสมรถ h a เจวิปัสนาแค่30แต่ของเรามันเน้นด้ว่าขอคุณจาพิทักณ์ณมณิเขอให้ชัดวิปัสนาถึง 70% สรนะสมร ถ, ถ้าจะมีก็ไม่ควรจะเกิน 30% มเปร็พราะการเค้ื่อนไหวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเหมือนเราใช้พัดเราต้องการลมอันเกิดจากพัดไม่ได้เอาตัวพัดเราเปิดพัดลมเราต้องการลมจาก พัดลมไม่ใช่เอาตัวลมมาพัดเราเราเปิดแอร์เราต้องการไอเย็นจากแอร์แต่ไม่แช่แอร์มาใส่ตัวเรานี่คือความหมายการเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเปิดเส ม, มือนพัดลมหรือแอร์แต่ความรู้สึกที่เราได้จากการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนกับไอเย็นจากพัดลมก็ดีจากแอร์ก็ดีเข้าใจได้ไหมนี่คือตัวรู้สึกอันเกิดจากการเคลื่อนไหว แต่ในกรณีที่มันมีเวทนาของกายมันแสดงออกมาเป็นอะไรหนักเบาเนี่ยตัวนี้เกี่ยวข้องด้วยรูปโดยเฉพาะถ้าเราไปดูตรงนี้ให้ชัดเรียกว่าเป็นสมถะแต่ดูความรู้สึกอันเกิดจากการเคลื่อนเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นควรจะดูความรู้สึกอันเกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ชัดไว้ก่อนถึง 70% แต่ในกรณีที่เราต้องแก้ไขปัญหาของรูปที่มีความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอยู่ตลอดเวลาเราก็ใส่ใจไปตรงนั้นสัก 30% บปตก็พอตรงนั้นเพื่อบำบัดทุกเวทนาของกายเพื่อให้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันไม่เกิดปัญหาให้การเกิดการเคลื่อนไหวของกายมันฟโฟล์มันไม่เน็บไม่เจ็บไม่ปวดที่มันค้าง เหน็บชาขาแขนหรือง่วงหรือแช่อะพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแล้วก็ควรที่จะสม่ําเสมอทั้งยืนทั้งเดินและนั่งแต่และยืนเดินนั่งก็มีหลายโหมดหลายมิติที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในวิธีการของวัคทีนนี่ต้องต้องขยันตรงเดียวขยันเปลี่ยนขยันปรับขยันเปลี่ยน ไม่ใช่ขยันทําอย่างเดียวพื้นที่ทำํทำๆๆ<ำ>อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นสมถะเพราะมีอาการแช่เกิดขึ้นเพราะในสมถะ เ, เน้นที่จะให้เกิดตัวสงบตัวสบายตัวสุขตัวปิติแต่ในวิปัสนาเราจะไม่เน้นตัวนั้ น, นวิปัสนาเราเน้นตัวตื่นรู้เบิกบานเท่านั้นเองซึ่งมันความป้องหมานีน่ต่างกันเพราะตัวตื่นรู้เบิกบานจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอยา่าง เรียนตัวรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวตื่นรู้มันก็จะเกิดตั ว, ตวยานซึ่งเป็นที่เราเรียกมันว่าตัวตัวรู้นี่แหละให้มันเป็นชัดเพราะตัวรู้นี้จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดจากนามรูปเพราะว่านามรูปเกิดจากว่าเราจัดการแก้ปัญหาของรูปนามไม่ได้หมดจดมันถึงแปลงไปเป็นนามรูปและนามรูปนี้มันก็จะเป็นสมุทัยก็ให้เกิดความคิดความอยากความหวังความปรารถนา จินตนาการอะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ตัวรู้ที่เรากําหนดขึ้นว่าเป็นผู้รู้ตัวนู้ตัวนี้และจะไปเคลียนะแต่ในกรณีที่นามารูปเป็นเรื่องอดีตซึ่งคนต้องมีเช่นว่าเราพบ ค, ความารู้สึกผิดพลาคความผิดพลาดความน้อยใจความเสียใจความอะไรก็แล้วแต่ที่เรามันมีขึ้นผุดขึ้นมาเป็นบางครั้ง ลักษณะนี้ปัญหาอันเกิดจากอุปาทานซึ่งมันจะเคลียร์ได้ไม่ง่ายนักเรียกเป็นปัญหาตกค้างบางค้างบางขณะเราเผลอแล้วมันขึ้นมาแล้วทาให้จิตเราเศร้าหมองลักษณะนี้เราก็จะไม่กลบเกลื่อนด้วยความคิดบวกแต่เราจะเข้าไปดูอาการของมันตรงๆอาการของผ่องใสเศร้าหมองหรือคิดไปดูอาการของมันตรงๆที่มันเกิด แต่ทั่วไปถ้าเป็นสมถะนั้นเมื่ออาการความไม่สบายอากุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็จะกลบเกลือนด้วยความคิดบวกเช่นว่าความคิดความเครียดความแค้นใครคนหนึ่งเกิดขึ้นปับ๊บเรากลบเกลือนด้วยการแผ่เมตตาไรือ้วความกำหนัดความยิน ด, ดีในอารมณ์เกิดขึ้นปับ๊บเรากลบเกลือนด้วยการพิจารณาอสุภาพพิจารณาที่จะเข้าไปทาลายความรู้สึกชีวินั้น หรือเกิดความเบื่อหน่ายทอดหอยก็พยายามที่จกบเกลือนด้วยนึกถึงพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติคุณของพุทธธรรมสงฆ์เข้ามาแทนนี่เป็นลักษณะของสมถะคือแก้ความคิดลบด้วยความคิดบวกแต่วิปัสนาไม่ใช่แต่วิปัสนาความคิดลบกรณีความคิดบวกกรีเกิดขึ้นต้องเข้าไปตามรู้ตัวนั้นตามรู้ลักษณะอาการของมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไร ว่ามันจะหมดไปนานหรือไม่แล้วก็เหมือนเรากวาดบ้านน่ะนะถ้าเป็นสมถะรู้สึกตัวนี้มันลบเราไม่ชอบนี้เราไปย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมแต่วิ่ปรสนามันลบที่นี่ก็ต้องกวาดที่นี่เช็ดที่นี่ให้เกลี้ยงนี่คือแก้ปัญหาแบบวิ่ปรสนาแต่สมถะอยู่ที่นี่วุ่นวายไม่ชอบสัญญาไปที่โ น, น้นือย้ายที่ไปเลยแต่วิ่ปรสนาปัญหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่น เพราะฉะนั้นหลายคนที่เคยไปทำวิธีการเดียวกันนี่แต่ในสำนักอื่นในอาจารย์อื่นส่วนใหญ่แยกตรงนี้ไม่ชัดไปแทนที่จะเป็นวิปัสสนาแต่ไปเป็นสมถะรู้ได้ไงเพราะว่ายังมีปีติยังติดปีติแบบรุนแรงยังหลงเหลือมาให้เห็นอยู่ยังมีนิมิตสีแสงมีแววเกิดขึ้นอยู่นั่นคืออาการ เราได้ทําสมถะมาก่อนอารมณ์ของสมถะจะออกมาลักษณะของนิมิตสีแสงปีติที่ค่อนข้างดูแดงระงับไม่อยู่นี่หมายความว่าเป็นผลข้างเคียงจากสมถะที่เราเคยทํามาเราเคลียร์ไม่ออกเพราะอะไรจะเกิดอย่างนั้นเพราะว่าบางที่บางแห่งเราฮอตนั้นอาจารย์นั้นอาจค น, นอาจาจะเยอะเกินไปแล้วการดูแลไม่เท่าถึงแล้วก็ปล่อยให้ทํากันทั้งวันจะทําถูกทําผิดไม่รู้มันไม่ได้มาตรวจสอบเราเราเคียงแต่มา นั่งคุยนั่งแก้กันจนเชา้าจนเย็นแต่ในช่วงระหว่างทั้งวันเนี่ยเราทํานี่ยจิตเราเดินไปที่ไหนบ้างไม่รู้เราว่าไม่มีใครรู้กันบางทีมันก็เดินไปสู่ล่องของสมร tha ทั้งวันโดยก็ไม่มีการตรวจสอบนะอันนี้ก็คือเราจะต้องชัดเจนในอารมณ์ว่าเป็นวิปัสสนาคืออย่างนี้นะคือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาตัวรูปเป็นอารมณ์แต่ในกรณีนี้ที่เอาตัวรูปเป็นอารมณ์ต่อเมื่อมันมีปัญหาต้องบำบัด เช่นเย็นล้อนออนแข็งเค่งตึงมันเกินเราก็ต้องเข้าไปบําบัดการที่เขาไปเพ่งทีนี้พิจารณาปรับเปลี่ยนบําบัดนั้นมันก็ใช้เวลาไม่มากเดี๋ยวเด๋ยวก็จบใช่ไหมเช่นเราปวดขาแค่พียงหมดก็หายปวดละมันใช้เปอร์เซ็นที่น้อยแค่30ิบก็เหลือเฟือละไแก้ปัญหาของรูปนะแต่กรณีที่แก้ปัญหาของนามปัญหามันเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะบําบัดทุกเวทนาในรูปให้หมดจดได้ มันก็ต้องไหลไปสู่นามคือเรียกว่านามารูปเราต้องไปแก้ตัวนั้นเพราะนามรูปถ้าเราไม่แก้ไขให้ดีมันก็จะกลายไปเป็นตัวอกุณธรรมต่างๆแต่มันไปตั้งต้นที่นามารูปให้เราไปถันนัดจุดนั้นนามรูปมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นความพอใจและไม่พอใจนะอนนี้คือที่เราบอกกันช่วงทุกช่วงระยะไป เผือว่าความเพียรที่เราเดินไปเนี่ยมันจะไม่เฉแลบไปสู่ทางของสมถะทำสมถะทั้งวันแต่คิดว่าเป็นพิปัสนาเพราะเราไปใช้ความคิดใช้พิจารณาใช้การเพ่งใช้การเข้าไปในความสงบไปนิมิตไปอะไรต่างๆเป็นเรื่องสมถะทั้งหมดนะแทนที่เราจะมาปรับตัวรู้ปรับตัวเบาปรับตัวสบายโปร่งเบารู้ตื่นเบิกบานให้มันชัดเจนไว้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของพิปัสนา รู้ตื่นบาแสดงว่ากักเอาไว้ท่านที้ไม่ได้บอกกันเลยนะอ๋อเพกตายแน่ลรักกันจริงเอตอนนั้นเราเกี่ยวลงไปที่ห้องมีห้องครับเอเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเกี่ยวเลยพูุนี้ลองกันสักวันดีมทั้งวันเลยเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนโอเคสารศาส์ที่เป็นดีซีหรือเปล่าดีซนะเพราะลงห้อเตียพูดชัดเจนเลยบอกว่าขอให้เป็นลูกโซ่นะใช่ไหม กับผมก็มาจับตายตรงนี้ว่าเป็นลูกโซ่เนี่ยนะก็คือต้องตัวน้ไซเคิลเป็นลแสดงว่าวิวาสนีเป็นวิาเป็นอซแต่สมรถเป็นเป็นเส้นตรงเลยตรงเดลักเดลักซถ้ามามีเครื่องเปลี่ยนนะเอาเครื่องมาเปลี่ยนรับ โอ้โต่นี่เองสว่างสวยรู้หมดเลยอืก็ที่ผู้ใหญ่จะรู้นะผู้นี้ต้องแชร์ต่อวันนี้เอาครึ่งเงินะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวยาวไ่ะาวเขารู้ตลอดเลยตอนนั้นใครอยพิ่งไปไหนพวงนี้ก็มาแชร์ต่อเรื่องเอซงานนิยมเปี่ยมลำบากใจแน่เพราะจะเกิดสํานักใหม่เกิดขึ้นสํานักเอซีกับดีซไม่หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความอะไรล่ะความกัลลุณา มันเห็นเพื่อนเราอีกหลายคนที่มันมงมงายหลายอยู่เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องทุกข์นี่นะแต่มันเรื่องมันง่ายแต่มันเขาแต่ทีนี้โยมจวบไปเห็นเขาเ่านี่มันทุกข์มีปัญหาจะทนไม่ได้ที่จะต้องไปจัดการนั่นแต่ให้ชัดเจนเรื่องนี้ก่อนเรียกว่ากรุณาเพรเห็นว่เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องโตัวอะไรใช่ไหมแต่เราเอาในช่วงท้ายนะอะให้จบกไอ้ตอนเดนี่ก่อนคุณนิสาก็มีเรื่องแชร์เหมือนกับโยมจวบนี้แหละนี่ในอารมณ์ไว้ขึ้นโอเคหันหน้าเข้าขวา เดี๋ยวดีช่วงท้ายเดี๋ชาชั่วโมงจะให้โอกาสอีกทีนึ่งจบ ก, ก, ก่นอนจบก็ <c oughs> แค่ี้พอแล้ว <c oughs> เอาไปแชร์ผู้นี้อีกครึ่งหนึ่งอ่าน้าเก่านึ่งเอาทา้งท้ายไม่มีใครอยู่เลยด้านหลังเนี่ยแต่ว่าเวลาแดกเข้ากระถอยหลังเอาเท่านั้นขอเวลาอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเศษนะเราจะได้พิสูจน์ว่าเราเข้าใจเร่งสมถะอภิปสนาโดยความเป็นจริงเนี่ยชัดไหมว่าเราดู รู้จากการเคลื่อนไหวหรือรู้จากเวทนาเนี่ยต่างกันไงรู้จากเวทนาหมายถึงรูปรู้จากการเคลื่อนไหวหมายถึงนาม